เนี่ยคนมาจากบางกอกเนี่ยเทวดาตกสวรรค์นะตกสวรรค์มาปฏิบัติธรรมเป็นยังไงฟังอาจารย์ท่านพูดนะได้ข่าวว่ามาหมดครอบครัวแล้วนะเนี่ยกลับนมัสการพระคุณเจ้านะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านฟังจากกัลยาณมิตรที่พูดเมื่อกี้นี้ เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลวงตาจะชี้ให้เรามาพูดไหมเนี่ยรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะเราจําอะไรไม่ได้เลยทําไมคนนี้จําได้เยอะจังเลยผมชื่อธีรพลนิยมนะครับเป็นสถาปนิกนะเราเป็นสถาปนิกนแล้วก็เป็นอาจารย์เราอธิการบรดีที่สถาบันอาสมศิน์ที่กรุงเทพนะครับก็มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าลูกสาวมา มาเมื่อสักเดือนธันวาแล้วก็กลับไปชวนนะครับก็ลูกกุหลมีใจก็สนองพระเดชพระคุณหน่อยก็เลยก็เลยมาก่อนมาก็ไม่ไม่สบายนะครับไปหาหมอก็หมอก็บอกให้พักก็<笑><笑>แต่ก็คิดว่าเอ๊กก็รู้สึกเข้าทางไม่ค่อยอยากมาเลยพักกระดีมนั่นเลย อีกใจหนึงคิดว่าอ่ะเอ้โอกาสดีคิดเล้ากุศลนะว่าโอกาสดีก็น่าจะมากค็ ค, คงไม่ตายหรอกมึ่อมาตายที่วัดก็ดีเหมือนกันเผื่อหลว ง, งตาจะได้ช่วยอืมต <laughs> อนนี้อก่อนมาก็ได้มีโอกาสฟังเทปของหลวงตานิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าอืหลวงตาองค์นี้นี่พูดตรงๆดีนงเราก็เป็นคนชอบเลยตรงๆงก็จะชอบฟังนะครับ ตอนนี้เมื่อามาวันแรกก็นอน ต, ตื่นเช้า ม, มาก็ไม่สบายเลยครับแต่ว่าก็พยายามคิดเล่ากุศลดวงตาบอกให้เฉยเฉยก็เฉยเฉยนะก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มปฏิบัติอคือที่จริงเป็นคนเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นพวกบรญญาชนนะครับชอบคิดอยู่ความคิดเยอะก็แล้วก็คิดเรื่องก็เคยไปปฏิบัติธรรมามาหลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่า เรานี่บุญบารมีคงไม่ถึงได้แค่นี้แะปฏิบัติก็ประมาณประมาณนี้ก็ไม่ก็รู้สึกว่าคงไปไหนไม่ได้มากนะครับแต่ก็หลวงตาก็บอกว่าให้เฉยเฉยก็เฉยเฉยแล้วก็คิดเลากุศลได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็วันแรกแรกก็หลวงตาก็บอกให้ให้รู้สึกให้ดูก็นั่งปฏิบัติไปก็มีคําถามเ อ, เ, อเอ๊ะรู้สึกคิดว่ารู้สึกเนี่ยมัน มันต่างกันยังไงอก็ก็คิดได้ว่าเอ๊ะอ้าวมันคิดอีกแล้วก็หลงตาบอกให้รู้สึกก็รู้สึกไปก็รู้สึกเอ้คนลรามก็รู้สึกก็ไม่น่าจะยากนี่ยีกไปก็เจ็บก็รู้สึกแห้นั้นก็รู้สึกไปนะครับก็สบายๆนะวันแรกก็รู้สึกแล้วก็มันก็ความคิดก็ไม่เยอะเท่าที่ิดนะครับก็ไปเรื่อยๆก็รู้สึกไปก็วันแรกก็ผ่านไปสบายๆแต่ว่าเนื่องจากว่า เราเนี่ยติดคิดในเรื่องของการทํางานวางแผนการคิดถึงอนาคตตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้ก็ทําทําธุรกิจทําอะไรมาทํางานมาเยอะมากนะครับก็เป็นนักวางแผนว่างานเลยก็จะคิดในวันนี้หนึ่งในเจ็ดนี่มันกี่เปอร์เซนต์กี่วันเจ็ดวันอะไรก็คิดถึงวันกลับอยู่บ้างเหมอนกันนะครับแต่ก็คิดแบบไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้กังวลไม่ได้ทุกข์อะไรมากนะครับแต่ว่าในในอดีตเนี่ยเคยเคยมีประสบการณ์ทางจิตที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยวันแรกเนี่ยจิตมันจะตกมากนะจิตตกนี่เป็นยังไงนจิตที่มันมันทุกข์มันรู้สึกว่ารู้สึกว่าพัดผ้ารู้สึกว่าอยากกลับบ้านเลยนะ แล้วมันก็จะเป็นสัญญาติดอยู่ในตัวเราในเวลาตอนเย็นๆ เ, เวลาอากาศมันมันมั น, น, น, น, นโผเพเนี่ยมันก็จะคิดถึงบ้านถึงขนาดที่จะตายเอามันจะกังวลจะเป็นอย่างกันแล้วก็มันจะเป็นสัญญานะครับเอพิจารณาครั้งนี้มันก็มาแว บ, บนึงแต่ว่าก็ดูมันนะครับมันก็มันก็จบแต่ก็ไม่ไม่มีอะไร ก็รู้สึกว่าสบายสบายนะบอกให้ดูหลงตาให้ดูก็สบายสบายวันนี้วันที่สองก็มาก็ไม่สบายมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าแต่โชคดีว่ามีมียาติดมาก็กินยาแก้อักเสบไปนะครับเพราะว่าจิตมันก็กลัวกลั ว, ว่าเดี๋ยวปฏิบัติไม่ได้นะครับก็กินยาไปแล้วก็มากินอาหาร ก็ก็รู้สึกว่าก็กลัวหิววันแรกก็ตัดเยอะหน่อยการปฏิบัติในวันที่สองเนี่ยก็ก็รู้สึกคิดมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็มีความคิดอยู่เรื่อยๆว่าเนี่ทำไมมันเรารู้สึกก็ไม่ชัดความคิดมาก็ไม่ชัดนะครับ ก็ลว่าเอมันคงจะเป็นพรสติเรายังไม่ไม่แข็งแรงนะครับก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆสบายๆายนะครับมีช่วงช่วงบ่ายที่รู้สึกว่าง่วงก็ใช้วิธีแก้ก็คือว่าเดินแรงๆหน่อยให้มันรู้สึกนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ค่อยสบายแต่ก็ก็ก็จะจะจะพยายามปล่อยวางนะครับแต่ว่ากิเลสมันคงจะมาเหมือนกันว่าเอ๊ะ ต้องมาหายาก็มาห า, าแม่ชีนะครับอบอกแม่ชีว่าเดี๋ยวภรรยาจะกลับไปเนี่ยขอฝากโ ท, ทรศัพท์ให้เขาสั่งซื้อยาจากจากาคนที่มารับได้ไหมเพื่อจะได้ให้เราหายนะครับแม่ชีก็บอกว่ามียาแก้ไออยู่กินแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวก็คงหายก็เลยได้คิดว่าเออเราอาจจะกังวล ม, มากมากเกินไป ก็ปฏิบัติไปก็วันที่สามนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มง่วงมากขึ้นเริ่มง่วงมากขึ้นแล้วก็ขนาะเดยียวกันก็เริ่มเริ่มมีกิเลสรู้สึกว่าที่เราเนี่ยมันมันไม่เห็นไม่อะไรดีขึ้นก็ได้แค่นี้แต่ก็พยายามคิดเราเรากุศลว่าเอได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ก็อย่างน้อยที่สุดก็มามาทําความเพียรต้องทํำยังไงไม่ต้องเราต้องก็ตั้งตั้งจิตไปว่ายังไงก็ต้องไม่นอนยังไงจะต้องไม่หลับจะต้องเอาชนะความความง่วงให้ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเชนะความง่วงให้ได้ก็ก็พ้นเรื่องความง่วงไปแต่ขณะเดียวกันความคิดก็เริ่มมานะครับสองวันแรกความคิดก็ไม่มีไม่มากแต่พอวันที่วันที่สามมันเริ่มมามากขึ้นนะครับก็อ่า พยายามดูพยายามดูไปเรื่อยๆนะครับคิดก็ตัดคิดก็ตัดคิดก็ตัดต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับก็มาม า, มาอยู่กั บ, ก, บกับกับการเดินนะครับก็วันที่สี่ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ยังมีคิดถึงคํานวณเอ๊วันที่สี่ได้สี่ในเจ็ดแล้วก็ยังคิดถึงว่าวันที่จะกลับจะเป็นยังไงนะครับพอวันที่ห้าก็ เดินก um, ็สภาพจะอยู่อย่างนี้สภาพจะอยู่ในลักษณะที่ว่าง่วงบางช่วงก็ทำให้หายง่วงโดยการเดินหนักๆนะครับว่าหลวงตาบอกว่าให้สู้กูไม่เอากับมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้กับความรู้สึกเดินเร็วๆนะเดินเดินจนปวดไปทั้งตัวนะครับแต่ก็เฉยๆกับกับกับความความปวดเพราะเราก็เห็นอนิจจังว่าปวดไปถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ ก็หายไปนะครับก็มีคืนมีคืนวันที่สี่ที่ฟังที่รู้สึกง่วงเวลาเวลาเอเข้าใจว่าเป็นวันที่สามขอโทษะครับรู้สึกง่วงตอนตอนตอนฟังฟังหลวงตาพูดนะครับนี้ก็แก้ง่วงก็คื อ, อดูนะใช้ดูรู้สึกรู้สึกเยอะๆนะครับรก็ปรากฏว่า สติมันคงคงค ง, คงแข็งแรงมากแล้วท่านรู้สึกว่ามันตื่นแล้วก็ไม่มีคาวามสุดม่วงอยู่ในตัวเลยนะแล้วรู้สึกตัวมันจะตัวโตตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนั้นจนจนจนจนจนไปนอนนะครับก็ไม่อยากจะนอนเลยแต่ว่าก็ ก, ก, ก็ต้องนอนเพราะาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจะไม่มีแรนะครับตรงตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ะมันทุกข์มากแล้วรู้สึกมีกําลังใจที่จะฝืนเนี่ยมันจะทะลุไปได้แบบเนี้ยอยากให้ทําแบบนี้บ่อยๆ ตอนนี้ในในในเช้าวันที่ห้าเนี่ยเรามาสวดมนต์มีหลวงพี่องค์พิสัยบ้่นสวดบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรเนี่ยเราก็เกิดเกิดปิติจากการฟังนะครับก็น้ําตาไหลว่าอืมพระพุทธเจ้าท่านมีพระกรุณาที่คุณสูงขนาดนี้เนี่ยเราต้องมีความเพียร น, นะครับเราต้องทําให้ดี นะครับก็รู้สึกว่าท่านมีเมตต า, า, ากรุณามีพระกรณที่คุณสูงมากก็ทำให้มีแรงที่จ ะ, ะทำต่อไปนะครับเนื้อวันที่ห้านี่ก็ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจนช่วงจวงกรมจนช่วงปลายปลายของของขอ ง, ของวันที่ห้าเนี่ยเดินไปเดินเดินเดินเดินเดินเดินแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ไอ้คนที่เดินนี่มันไม่ใช่เหล่านล้มันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเป็นของแข็งแข็งเดินอยู่เดินก็รู้สึกว่าเป็ น, มนไม่มันไม่ใช่เหล่าแล้วขณะเดียวกันมันก็มีเสียงมาบอกว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนคิดแล้วมันก็หายวูบไปเลยนะครับมันก็เดินเดินอยู่อย่างกันเดินเห็นเป็นกัวแข็งแข็งเดินไม่มีความคิดอะไรเลยนะอยู่สักครึ่ชงชั่วโมงจนเสียงเสียงเสียงระฆังดังนะครับ หลังจากก็มากวาดก็รู้สึกก็เห็นแต่ของแข็งๆนี่มันกวาดอยู่กวาดอยู่กวาดอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์แต่ทางจิตที่รู้สึกว่าเอ่อมันเราเห็นเราเราก็เห็นว่าเป็นเป็นเป็นของแข็งๆไม่ใช่เราเนี่ยสุดยอดก็ในวันที่ห้าก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นความรู้ตัวล้วนๆนะครับครับรู้สึกว่าไม่มีเรามีเขาเข้าไปอยู่ในนั้นครับ ก็รู้สึกว่าโล่งๆโปร่งๆสบายดีพอวันที่หกก็นึกว่าจะฟังหลวงพี่เอ๋ใช่ไหมครับบอกว่ามาแล้วต้องเอาให้ได้อย่าไปกินน้ำอย่าไปกังวลอะไรทั้งสิ้นก็เอาเอากับหลวงพี่เอ๋หน่อยๆก็หลวงพี่ก็ให้กำลังใจแล้วนะครับ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมพกน้ำไม่อะไรทั้งสิ้นก็ไปก็เดินนะครับก็ปรากฏว่าความคิดก็กลับมาเหมือนกลับมาใหม่นะครับ mm hmm. ก็กลับมานะครับก็ได้เรื่องความเพียรก็คือว่าเดินให้ไม่ง่วงนะครับแล้วก็เดินให้ให้รู้สึกตัดความคิดกำหนดรู้ให้มากที่สุดนะครับ แรูปความคิดที่จะเกิดขึ้นนยให้มากที่สุดก็พยายามทําก็ก็ประคองนะฮะเดินไปได้อปกตินะครับ แ, แต่ก็มีปวดมีเมื่อยก็ก็จะใช้ความเพียรที่จะเนี่ยเราเราก็ได้ได้ได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความเพียรก็เมื่อคืนก็ปรึกษาหลวงปู่ว่าเหลวงตาว่าเราเราเราบอก กูไม่เอากระมือกิเลสอะไรอย่างเงี้ยนะมันกับรถทับจับศิกเนี้ยเดินกับมันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เอาชนะอยู่ได้เรื่องความม่วงเนี่ยก็หายไปได้ทุกๆุครั้งแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันมีโทสะอยู่น้อยๆนะครับก็ก็เป็นก็ทําได้ในลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ไม่กินข้าวก็ตั้งจิตไปเลยว่าไม่กินข้าวไม่นั่งทั้งเช้าและเย็นนะครับก็ปฏิบัติอย่างนั้นได้เพียงกับว่า ท้องผูกมาแก็วันที่เจ็ดก็เป็นวันวันวันสุดท้ายครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้อตอนเช้าตื่นมามันก็เวียนหัวไม่สบายก็ไปเดินจงกรมก็เดินเมื่อวานนี้จะจะยากลําบากมากเพราะว่ามันมันเวียนมันเวียนนี่มันมันเดินเร็วไม่ได้แล้วครับนี่มันก็เดินช้าแต่ว่าก็ต่อสู้กับกับความง่วงโดยการที่รู้สึกแต่ว่าการรู้สึก จากการเดินช้าของเราเนี่ยมันมันรู้สึกไม่ดีเท่ากับเดินเร็วนะครับแต่ก็เดินไปเรื่อยใช้ใช้ใช้ความอดทนคือความอดทนเดินไปจนไม่ได้ยินเสียงละคร<อ>ัเดินไปนะครับก็เนื่องว่าไม่เนื่องว่าตั้งใจไม่กินข้าวไม่ใช่เนาะ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เดินมามีสหาย ร, รมบอกว่าโอ้ได้อารมณ์บอก ยังไม่ได้อะไรได้ไดธรรมดาก็ก็ก็ได้ได้ได้ความรู้สึกที่เมื่อเมื่อเราอยู่กับความควา ม, ความรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็จะจะประคองประคองตัวไปได้นะครับแล้วก็มีเมื่อเช้ามาสดม์ก็ถ้าเช้าสดม์ก็ ทุกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีสติดีแล้วก็มีสมาธิเมื่เช้าก็เกิดก็เกิดปิติออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่วนไปก็เกิดปฏิปีก็ว่าคราวนี้ก็รู้สึกว่ามีความต่างจากการไปปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาก็คือว่ามีมีที่มีสัพเพะนะครับคือมีพระาจาังนะครับเป็นการมาปฏิบัติที่ได้ฟัง แล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติได้ไปคิดนะครับเมื่อก่อนก็อยู่กับความคิดเยอะแล้วก็มีความคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องยากาถูกแล้วก็มักจะมีความซับซ้อนนะเนื่องจากว่าเราฝึกการคิดอะไรมาแบบนั้นอื ม, มาคราวนี้ก็สิ่งที่ได้อีกอันนึงก็คือว่ารู้สึกว่าทําให้มันง่ายอรู้สึกก็รู้สึกอย่าไปคิดมากรู้สึกก็รู้สึกอะไรจะเกิดก็ให้มันมันตามมาไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวจะได้อย่างง้นเดี๋ยวจะมาอย่างนี้อะไรต่างตเนี่ย แล้วก็คิดว่ามันก็ทำให้เราเห็นแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยเราก็รู้สึกก็เห็นว่าเออมันก็หมดไปมันก็หายไปนะครับล้วก็คิดว่าจะเอาไปใช้เป็นกำลังใจแล้วก็เกิดความศรัทธามากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นง่ายๆมากขึ้นนะครับว่าที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจาวันให้เป็นนิสัยให้มันต่อเ น, นื่องต่อไปอก็ ขอโนโมธนาสําหรับพระเจ้านลบกตาถามหน่อยลูกสาวเป็นไงบ้างมันกลับไปนะก็มีมันมีอะไรต่างขึ้นบ้างไหมอ่าก็เห็นเขาตื่นเช้าปกติเขาเป็นคนตื่นสายนะครับโอ่าเขาก็ตื่นเช้าสังเกตว่าก็เต็มมาเดือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเนี่ยครับอืความหงุดหงิดทางด้านอารมณ์ทางอะไรเนี่ยเอ่า พูดการจาเห็นต่างขึ้นไหมก็ดีเขปกติเขาก็ไม่ได้ค่อยหงุดหงิดอยอ่แล้วแต่ที่บ้านในต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าโดยพื้นก็เป็นครอบครัวที่อยู่กันสงบเย็นนึกว่าโทรมาปรึกษาทุกปฏิบัติทำไปแล้วเป็นยังไงมักับอคยเขาพูดเป็นธรรมะธรรมโมบ้างไหมอะไรที่สะุดใจที่อาจารย์มาเนี่ยเอ้า เขามันบอกผมนี่แย่มากนะครับหนักไปทางงานนะครับคุยกันน้อยมากเลยหมายว่าดูเขาก็มันพูดอะไรที่เราสะดุดใจที่เออพ่อจะตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่สังเกตก็คือว่าเขาพยายามที่จะอ่าชวนให้พ่อมานะครับก็มีก็มีเขามีอ่ผูุศนจิตที่เราเรารู้สึกได้ว่าอยากให้เรามาเพราะว่าเราก็ห่งเหินจากการปฏิบัติมาหลายปีเหมือนเขาพูดออกไปจากใจจริงเนี่ยเราสัมผัสได้เราถึงมาครับจริงป่วยนี่ มาเป็นมากเหมือนกันนะครับเวียนอยู่ไม่ได้เลยตอนดูดูเหมือนแต่ว่าสัมผัสด้วยใจว่าเขาได้อะไรอยู่นะเนาะเรารู้สึกว่าเขามีเมตากับเราเราก็มาเป็นโอกาสของเราคิดว่าเป็นอย่างนี้เอาอมุตนาหลอดมหสกัดเนี่ยเขาเรียกว่าบวชจูงจูงพ่อจูงแม่เข้าวัดผู้หญิงนะนี่บวชเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ยังดีขึ้น อือเอาอีกสักคนเอายอมยอมอ๊้เอาคุยสัหน่อยดิคนใหม่นะอันนี้ถอดด้ามเลยแหละเนี่ยยมใช้เตียงว่าจะให้พูดอยู่ในเดินไปแล้ว เ, เรอรีบไปขี่แล้วรีบมาไปไวมันจะเป็นนะเวลเราจะพูดมันจะอยากขี่อยากเยี่ยวคุณมาทันทีนะอันนี้นักพูดนะเนี่ยนักพูดนักจัดอบรมนักอะไรนะฟังดูนะเนี่ยปฏีบัติธรรม นามส ก, การพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีเพื่อนกัลยาณมิตร น, นะคะหนูหนึกว่ารอดแล้วก็ชื่อกริยาศรีสัพกิจนะคะชื่อเล่นชื่ออูเป็นคนกรุงเทพคะ่ะมาจากกรุงเทพตอนนี้ไม่ได้ทำงานคะ่ะว่างงานอยู่แต่ว่าก่อนนี้เนี่ย เคยเป็นวิทยากรจัดอบรมอยู่เสมสิขาไลานะคะทำเรื่องการเรียนรู้เพื่อให้คนรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำงานยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะทำไปสักพักก็เริ่มรู้สึกอายที่จะคือก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนสอนนะคะไปจัดกระบวนการเรียนรู้ชวนให้คน รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่ว่าทำทาไปเรายิ่งรู้สึกว่าเรารู้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอะค่ะก็ก็เลยตอนนี้ก็เลยลามาศึกษาต่อก็คิดว่าอยากจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นก่อนนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือมาตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ อ่าส่วนหนึ่งก็คือน้องชายบวชอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีเพื่อนลูกสาวคุณอาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เขากลับไปจากเมื่อตอนเดินธนวาก็โทรมาชวนหนูมาชวนเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็คุณแม่ก็มาเมื่อเมื่อเดินธนวาคุณแม่ก็กลับไปชวนนะคะว่าว่าอยากให้มาก็ ก, ก็ตั้งใจตั้งใจจะมาค่ะแต่ว่าพอพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยสองวันแรกนี่ ง่วงแบบเกิดมาไม่เคยง่วงขนาดนี้ค่ะอืมวันแรกเนี่ยก็โทษว่าน่าจะเป็นเพราะเรานั่งรถทัวร์มาหลับไม่สนิทก็ก็คงง่วงแต่พอมันยังวันวันที่สองยังง่วงอยู่เนี่ยมันเห็นว่ามันมันเป็นความดื้อค่ะคือเหมือนจิตมันไม่อยากตื่นมันมันยังอยากสบายอยากที่เกียดอยู่อยากอยากติดอยู่กับ ความสบายเดิมๆไม่ไม่อยากไม่อยากตื่นนะคะจนจนรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วนี่เราจะมานั่งหลับเจ็ดวันเมือม่อยก็เมื่อยเรจะมานั่งหลับเหรอมันมันไม่ไหวอะคะ่ะพอรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะเอาแล้วเนี่ยวันที่สามมันก็พอพอได้ลงไปเดินจงกรมเปลี่ยนเปลี่ยนจากนั่งไปเดินเนี่ยคะ่ะมันก็มันก็ตื่นขึ้นมาได้เองนะคะวันที่วันที่สามเนี่ยเป็นวันที่ที่รู้สึก บอดโปล่งมากเดินได้เดินได้สบายไม่ง่วงแล้วก็แล้วก็รู้สึกเริ่มรู้ตัวได้มากขึ้นนะคะแต่พอวันที่สี่พอมานั่งก็ง่วงอีกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมันอะไรกันนักหนาพ อ, พอนั่งลงปุ๊บขยับมือได้สองรอบเนี่ยเ ห, เหมือนโดนเหมือนโดนข้าสึกจู่โจมอะคะ่ะ<ม>ก็สู้ไปเรื่อย ก็สู้ได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ความโง่ก็ยังมามาไปไปอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราก็ไหวมากขึ้นในการในการต่อสู้กับกับข้าศึกตัวนี้มากขึ้นไปเดินเนี่ยบางทีก็ก็รู้สึกงงๆค่งงะยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ก็ยังก็ยังงงว่าเอ๊ะมันมันควรจะเดินยังไงอ่อ ฝึกความรู้สึกตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ก็ควรจะรับรู้ทุกไปด้วยรู้จักตัวเองไปด้วยบางทีมันก็กลับไปกลับมาระหว่างระหว่างการอยู่กับเท้าเรากับพอรู้สึกอะไรคิดอะไรก็ไปคิดติดติดที่จะไปวิเคราะห์ต่อว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้หรออ๋อเราเป็นอย่างนี้ เ, ร เ, เพราะอะไรยังไงนะจนจนมีอยู่รู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช่อ่ะคะ่ะ มันน่าจะมาไม่ถูกทางแล้วแล้ววันหนึ่งหนูตาก็เดินผ่านมาระหว่างที่หนูกำลังสงสัยอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนะก็แค่รู้สึกตัวก็เออก็อย่างนั้นแหละก็ก็พยายามรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะเออก็ก็คิดว่ากำลังไปอยู่ค่ะใข่ยังไม่ฟักแต่ว่ามันก็ก็รู้สึกว่ามัน มันอุ่นมากขึ้นแล้วก็ความความรู้สึกตัวมันก็ต่อเนื่องได้มากขึ้นนะคะรู้สึกว่าเห็นเห็นความคิดเราดับลงได้ไวขึ้นเรื่อยๆซึงมันมีกำลังมากขึ้นค่ะก็คิดว่าก็คงต้องทำต่อไปอะคะ่ะคิดว่าจะอยู่อีกไหมหรือกลับไปก่อนวันนี้คงต้องกลับไปก่อนอ ค, ค่ะแต่ก็ได้อะไรสรุปเอา แต่ก็ขอสบานว่าจะมาอีกเห็นไมตั้งใจว่าจะมาอีกค่ะได้อะไรเอ็งมันวันนี้เอ้าสรุปดูดิตีคิดประเดได้รู้จักจริงๆว่าความรู้สึกตัวคืออะไรอืมค่ะแล้วก็ได้รู้แนวทางว่าควรจะทำยังไงต่อไปควรจะฝึกผนตัวเองยังไงต่อไปแล้วก็ได้กำลังใจได้ได้ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่ออา้าวมทนา อันนี้นักปฏิบัติรุ่นใหญ่นนเนี่ยเอารุ่นเล็กดูดิยังยังยั ง, ยงน้องเกีตอยากลุกทันทีเลยได้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่าหฮาวลายย่าหฮาวใจเย็นเย็นพอหกเองนะเนี่ยยังอ้าวคนนี้ดูนี่คนใส่แว่นตาเนี่ยคนเก่าอยู่หรอกเนี่ย คุยสักหน่อยดิยังไม่เคยคุยเลยนะเออไปไปคุยหน่อยดิคุยให้น้องสาวฟังหรอกนะเพราะว่มาสองสาครั้งแล้วนะมาพวกหนึ่งเขสองก็คือก็ทําเต็มที่เนี่ยแต่กลับไปแล้วมาทํามวดสองเลยว่าไอ้ที่ครั้งที่แรกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรมาทํามวดสามเฮ้ยไอ้ครั้งที่สองนั่นก็ยังไม่เลยครั้งนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดียังไงฟังเขาพูดดิ กาบนวัตการหลวงตาสวัสดีกับนวัตการครูวาแล้วสวัสดีญาติธรรมทุกคนนะคะก็หนูเชื่อเอดิฉันชื่อขวัญมณั ฐ, ฐรัตน์อินกูลค่ะมาปฏิบัตชื่ออะไรนะขวัญมณัฐค่ะฮะขวัญมณัฐเออขวัญมณัฐนะค่ะมาปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะก็ครั้งนี้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจสมาพอเพิ่ง มาหัางล่าสุดไปเมื่อตอนเดือนธันวาค่ะแต่ว่าน้องสาวคนเล็กกลับมาจากต่างประเทศก็เลยอยากให้เขามาคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ดิฉันมาเป็นเพื่อนกับน้องอ่ะค่ะก็เลยมามาด้วยกันสามคนก็มาตอนตอนก่อนมาก็ตั้งใจว่าจะทําเต็มที่ขอพระ ท, ทุกท่านว่าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตั้งใจมาแล้วก็มาวันแรกก็ตอนเช้าก็ไม่ไม่ง่วงเลยแล้วก็ปฏิบัติได้ได้ดีะคะ่ะก็คือรู้สึกรู้สึกตัวตัดความคิดได้แต่ว่าความคิดก็ยังมีเข้ามาบ้างแต่พอตอนบ่ายนี่ความคิดเข้ามาตลอดแล้วเหมือนกับสติมันยังรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งเหมือนกับทัทง้งทั้ง มีสติทั้งคิดไปด้วยทั้งมีสติทั้งคิดไปด้วยก็เริ่มตัดความคิดค่อยๆตัดนะคะวันที่สองก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือตอนเช้าก็มีสติตอนบ่ายก็ไม่มีสติแต่ว่าครั้งนี้แปลกคือออกมาเดินจากทางจงกรมเราจะไม่รู้สึกตัวะคะ่ะก็คือไม่ได้มีมีสติรู้ต่อไม่ต้องตลอดนะคะไม่เหมือนครั้งที่สองครั้งที่สองจะออกมาจะรู้สึกว่ามีความ มีมีสติมากกว่า น, นี้ยค่ะเราพอวันที่สามหลวงตาให้ย้ายที่เดินตรงกลมค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากย้ายปิดที่อยากจะเดินตรงเนี้ยเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันมันได้สติมาแล้วทําไมต้องย้ายด้วยอะไรเนี้ยครับแต่พอย้ายไปก็วันนั้นทั้งวันไม่ได้เลยค่ะก็คือสติหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยว่าหลวงตาพยายามจะสอนอะไรอ่ะค่ะ เราเพิ่งมาคิดได้ตอนก่อนนอนก็คือว่าพรุ่งนี้จะไม่เอาแล้วต้องต้องตั้งใจแล้วต้องชนะไอ้ที่เดินตรงกลมนี้ให้ได้แล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยมาลองเดินก็ก็มีสติค่ะแล้วก็คิดว่าต้องตัดความคิดให้ได้แล้วก็คิดว่าต้องพยายามมากๆากะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่จิตจิตหยาบช้ามากว่า อมีโทสะโมหะอะไรอเี้ยเยอะแล้วก็มีอัตตาตัวตนเยอะคือใครพูดไม่พอใจก็จะชอบโกรธค่ะแล้วยิ่งกับน้องนี่ทะเลาะ ก, กันบ่อยมาตั้งแต่เด็กค่ะก็มาปฏิบัตินี่ก็ก็ครั้งนี้ก็ก็คิดว่าเวลาเดินทางจงกลมก็รู้สึกว่านี่มันทางจงกลมทางให้เดินไม่ได้ทางให้คิดจะ ต, ต้องพยายามเดินเดินเดินห้ามคิดก็เดินไปเรื่อยเรื่อยๆ แล้วก็ไม่ได้รู้มีความรู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วว่าอยากจะกลับบ้านครั้งที่แล้วนี่โหยนับวันลงทุกวันว่าจะกลับบ้านเมื่อไรจะได้กลับบ้านจะกลับบ้านออกจากความคิดไม่เป็นค่ะแต่ครั้งนี้ก็ออกจากความคิดเริ่มจะเป็นแล้วก็คือเวลาโกรธก็เดินอย่างเดียวเดินให้รูรูรูรูรูแล้วมันก็ความคิดมึงก็จะหายไปมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโกรธอะไรแล้วมันก็ความรู้สึกเก่าๆที่รู้สึกโกรธมันก็เริ่มเบาบางลงคนที่เราเคยโกรธมันก็โกรธน้อยลง แล้วเรื่องอะไรที่มากระทบที่ปกติเคยโกรธก็กดไม่ค่อยโกรธหรือว่าโกรธก็โกรธไม่เยอะโกรธไม่นานค่ะแล้วก็มาถึงวันที่หกที่เจ็ดก็เป็นเหมือนเดิมคือมีทางตรงกลมก็คือมีสติเรื่อยๆรู้รู้สึกตัวความคิดมา ก, ก็พยายามตาดัดพยายามตาดัดแล้วหลวงตามาบอกปิศาธรรมค่ะหลวงตาถามว่าหลวงตาถามว่า สังขารกับกับวิญญาณต่างกันยังไงคราวนี้ก็เลยคิดอย่างเยวเลยว่าสังขารกับวิญญาณนี่ต่างกันยังไงต่างกันยังไงานหลวงตาต้องมาบอกอีกทีว่าถ้าตัดได้ก็ไม่ต้องไปคิดมันก็คืออยู่ที่ความรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวตลอดผมก็พยายามรู้สึกตัวค่ะรู้สึกว่าดีกว่างวดก่อนรู้สึกว่า อะไรที่ทำให้มันต่างจากงวด ก, ก่อนกับปัจจุบันเนี่ยที่ทำไม่ได้เอ่อพึ่งเข้าใจว่าการมีสติจริงๆคืออะไรอะคะ่ะครั้งที่เราเออเหมือนกับครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวแต่ก็พยายามลองหาทางใหม่อยู่เรื่อยว่าทำยังไงให้รู้สึกตัวคือ<ม>คิดวิธีการเยอะแยะมากมายว่าไม่ไม่สร้างจังหวะได้ไหมเขียนที่พื้นได้ไหมมันจะรู้สึกตัวไหมคือสร้างคือ คิดหาวิธีใหม่ๆตลอดอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้สักทีไม่รู้สึกตัวสักทีแล้วมันก็จะรู้สึกว่าห่วยงุดหิดมากเวลาทําไม่ได้ทําไมต้องไปคิดอีกแล้วทําไมต้องคิดเนี่ยบอกไม่ให้คิดก็ทําไมจะคิดอีกหงุดหงิดแต่ครั้งนี้มาก็รู้สึกว่ามันเฉยๆคิดก็ตัดได้คิดจะคิดก็คิดคิดก็คิดเราก็ตัดมีนาที่ตัดก็ตัดอย่างเดียวดูกายเราอย่างเดียวไม่ได้ไปหงุดหงิดกับมันไม่ได้ไปสนใจกับมันนะคะ แล้วเจ็ดวันมันผ่านไปเร็วมากมันเหมือนกับไม่ได้นับวันรอค่ะอืมทําไมเห็นเมื่อวานเนึงโอ้ยทำไมมันจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ย<ก>ทำไมหมดเร็วจังทําไมคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปจากครั้งที่สองค่ะคือครั้งที่สองอย่างที่บอกว่ามามาอยู่มาอยู่ที่วัดมีครั้งที่สองคือมาอยู่สิบเจ็ดวันค่ะสิบเจ็ดวัน แล้วหลวงตาให้เก็บอารมณ์ก็คืออยู่ในอยู่ในบ้านเดี่ยวๆไม่ให้คุยกับใครอ่ะคะ่ะในกุตินในกุติในกุติแล้วก็ฟุงซานมากค่ะกือ ค, คิดอย่างเดียวว่าทําไมหงุดแบบไม่ไหวเลยะคะ่ะร้องไห้เลยอะคะ่ะมาหาหลวงตาว่าทําไมหนูสู้ไม่ได้หนูสู้ความห ง, งุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดมากค่ะ <c oughs> แล้วก็นับวันรอขึ้นรอตั้งแต่แบบห้าวันสุดท้ายนี้คือไม่ไหวแล้วเดินไม่ไม่ได้เลยอยากกลับบ้าน ที่แรกนะ่ยมาเจ็ดวันมาเจ็ดวันแล้วรู้สึกว่ามันจะดีบ้างนหละก็เลยฮะวดสองมาสิบเจดวันคือจะให้มันบรรุเลยแล้วก็จะกลับไปเลยทีเนี้ยพอมาแล้วเหมือนโลกแตกเลยนะเดินไปหากล้องตาต้องมาหาหนูวันละสิบครั้งนะเทวานะต้องมาอารมณ์วันหนึ่งต้องมาสิบครั้งอาจวฉันจะบ้าตายเพราะเธอเนี่ยนะฮะเบ่อยก็ไมว้เอามาคิดมากเลยจะคุยกับใครเนี่ยมันมาขังไว้ได้ยังไงกับ <c oughs> เราก็เรียกว่ามันเข้มแ ข, ข็งมั้แล้วก็พออยู่ได้นะแต่ดีนะเขาไม่นอนกลางวันนะสู้ได้เอาความม่วงนี่สู้ยังไงเห็นไม่หลับอะตอนที่มาครั้งที่ครั้งแรกนี่คือยังไม่ค่อยได้อะไรนะคะคือครั้งแรกมายังไม่รู้รอะไรอยากกลับบ้านอย่างเดียวครั้งที่สองมาก็รู้สึกว่าต้องสู้กับความม่วงแหละพอรู้สึกว่าต้องสู้ทําไงคิดอย่างแรกก็คือตบหน้าตัวเองแตบมันก็ตื่นนะคะแล้วครั้นี้ก็ตบเลยแล้วมันก็ตื่น แล้วพอสัมผักมันเริ่มดื้อ ม, มันก็ไม่ตื่นละค่ะแล้วเสร็จต้องไปให้คนอื่นตบมันไึงตื่นเราตบเรามันไม่ได้ใส่อารมณ์เนาะมันไม่ตื่นมันไม่รู้สึกทําที่แรกมันก็ตื่นแหล ะ, ะทําไงเราพอครั้งที่สองหมดไปก็คือยังง่วงก็คือเดินเดินวิ่งเลยค่ะเพะวิ่งไปวิ่งมามันก็ตื่นแต่ว่าพอไปตอนกลางคืนที่อยู่ในกุฏิอะคะ่ะก็คือไม่ตื่นง่วงก็คิดว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกล้งจิตก็คือไปนอนก่อนผมมีการแกล้งจิตเดือกกลางแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติมันง่วงมากๆเราจะตื่นมาเดินสรุปว่ามันก็หลับไปเลยค่ะเราตื่นมาก็ก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาใหม่แหละก็คือตั้งสติก็คือมีมีความรู้สึกตัวตลอดนะคะก็ก็เดินเรารู้สึกตัวความง่วงมันก็หายไปเองอ่ะค่ะเหมือนกับความเจ็บ เจ็บปวดเมื่อยเท้าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเมื่อยก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกพอรู้สึกไปสักพักมันก็จะหายเมื่อยไปเองโดยที่เราไม่ทันรู้อะค่ะเข้าใจเคาว่าเห็นทางไหมเห็นทางเข้าใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะเออมันเป็นไงมันก็คือทางที่จะทําให้เราหายทุกข์อะค่ะ คือหนูเป็นคนที่ทุกข์มากตอนแรกก็คือทะเลาะกับใครก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์พอมารู้สึกตัวอย่างนี้มันก็หายไปเองอ่ะคะ่ะมันก็คือถ้าทําได้มันก็คงจะไม่ทุกข์อะคะ่ะพอะทุกอย่างมันคือความทุกข์ไปหมดความสุขที่เรามีสุดท้ายถ้าสุดเราไม่ได้สิ่งนั้นมามันก็คือความทุกข์อะคะ่ะก็เริ่มรู้จักทุกข์มากขึ้นอืมอ๋อไหนบอกว่า โมงตาหนูไม่ได้ทุกหน้าที่มาในไม่ได้ทุกหนูยังไม่รู้จักทุกเลยในชีวิตหนูเนี่ยทําไมพูดอย่างนั้นค่ะคือตอนแรกคือบ้านหนูนี่เป็นบ้านที่สบายมากค่ะคืออยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินกินแต่ของดีๆคือแต่ก่อนคิดเสมอว่าเอ่อเดี๋ยวก็ตายและวหาซื้อความสุขไปดีกว่าความสุขก็คือการติดอยู่ในลูปรถกินเสียงนะคะก็คืออยากได้อะไรก็ไปซื้ออยากช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิ้งอยากกินก็ ไปกินที่ดีๆแต่สุดท้ายมันก็คือไม่มีอะไรนี่ก็พอมาได้ปฏิบัติมันก็รู้ว่าคือเราถ้าเราอยู่เฉยๆธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ไม่ได้กินเราก็ไม่ทุกข์ได้กินเราก็มีความสุขนิดหน่อยแต่ว่าค่ะแต่ก่อนหนูติดขนมหวานมากค่ะคือชอบกินมากความคิดนี้อยู่แต่เรื่องของกินนะคะ กินตลอดทั้งครั้งแรกที่มาก็ทรมานมากอยากกินก็หยิบหยิบกินแล้วก็คิดว่ากลับไปเนี่ยจะกินแลกเลยกินให้แลกแล้วก็กินจริงๆอะคะ่ะแล้วครั้งที่สองมาก็เลยบอกกับตัวเองว่าเนี่ยจะไม่สาบานกับตัวเองว่าจะไม่กินจะไม่หยิบของหวานเลยสักวันก็คือไม่ไม่หยิบตลอดทั้งสิบเจดวันนะคะก็ไม่ได้กินเลยแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันมันขัดอยู่ะคะ่ะมันขัดกับความรู้สึกกลับไปก็ ก็กินบ้างแต่ว่าก็กินน้อยลงอะคะ่ะแล้วมาครั้งนี้มันมันดีขึ้นเองค่ะคือหยิบของหวานแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่ได้กินนี่จะตายแต่ก่อนนี้ถ้าไม่ได้กินรร้สึกว่าโอ๊ยอิดอัดมากอยากจะตายแต่ตอนนี้ดีแล้วค่ะความกลัวกลัวคือตอนครั้งแรกครั้งแรกไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะยังแทบจะไม่ได้อะไรเลยปรับตัวไม่ได้ แต่ครั้งนี้สอบความกลัวก็คือตอนที่ตหลวงตาให้ไปอยู่ในกุฏิคนเดียวอะค่ะแล้วมีสัตว์ประหลาดเยอะมากมีทั้งแมงมุมตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีปาดที่ชอบกระโดดเข้ามาหาเราอะค่ะหนูเปิดประตูห้องน้ำเขาไปกระโดดหาหนูก็กลัวมากก็พอตอนกลางคืนก็รู้สึกว่าหฮยต้องตั้งสติแล้วมันคงไม่มาหาเราเหรอก แล้วพอตั้งสติความคิดมันก็เข้ามาว่าโอ๊ยถ้าแมงมุมมันกัดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนไหยอ่ะมันก็คิดไปเรื่อยเลยค่ะ <c oughs> แต่สุดท้ายก็ <c oughs> ก็พยายามตั้งสติแล้วมันก็มันก็หลับไปได้เองอะค่ะแล้วพออีกวันหนึ่งหลวงตาบอกกลัวนักใช่ไหมหลวงตาให้จับปาดอะค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าจับแต่ว่าพอรู้สึกว่าหลวงตา ย, ยังจับได้เลยทําไมเราจะจับไม่ได้ก็ลองจับดูความกลัวมันก็หายไปเองอะค่ะปลาดก็ไม่กลัวแล้ว อะไรก็ไม่กลัว่แล้วแล้วพอหลังจากจบทริปเอหลังจากจบอันเนี้ยค่ะหลังจากจบปฏิบัติธรรมครั้งที่สองก็ไปไปไปที่ลาวต่อค่ะคือไปสอนหนังสือที่ลาวแล้วเสร็จแล้วต้องมาทข้างข้างบนละ่ะเอ่อจะมาหลวงพะบางอะคะ่ะมันต้องผ่านทา ง, ท, างที่มันโหดมากอะคะ่ะมันคือสามรอยกิโลเมตรแล้ว ต้องนั่งรถสิบสี่ชั่วโมงตอนยางคืนนะคะคือมันทางแย่มากแล้วก็รู้สึกว่ากลัวข้างทางก็มืดตลอดก็รู้สึกว่ากลัวก็เลยตั้งสติก็พยายามตั้งสติตั้งสติมันก็หายกลัวแต่เพื่อนข้างๆที่ไปด้วยกันคือ น, นั่งร้องไห้คือเราก็รู้สึกว่าโยนี่เราแบบมองเห็นว่าเราโตขึ้นคือแต่ก่อนหนูคงร้องหไห้ไปกับเพื่อนอนะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าพอตั้งสติมันก็มันก็หายหายกลัวได้บ้างนะคะ แต่ก่อนเคยกลัวแมงสาบมากไม่กล้าไม่อาบน้ำก็ยอมอะค่ะถ้ามันถ้ามันอยู่ในห้องน้ำต้องให้คนอื่นไปจับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจับก็จับได้ไม่ไม่ได้กลัวอะไรมากค่ะอ้าวบางวันก็บอกว่าก็กล้าหนูจะบรรลุนะมาที่นี้เพื่อจบรรลุแต่บางวันก็บอกฮะไม่เอาแมวนะบรบรลุกม่เลิกหนูเลิกแล้่หนูแมวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ ก็เพราะว่าความทุกข์มันสอนนะคะคือพออยากมากๆมันก็ไม่ได้อะค่ะอยากมากๆมันก็อยู่กับความคิดมันก็ไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวถ้าถ้ามันไม่อยากมันก็รู้สึกตัวชัดขึ้นรู้สึกตัวดีขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าไม่อยากแต่ว่าก็ยังคิดว่าในใจจริงๆก็ยังอยากอยู่ค่ะแต่ว่าพยายามรู้สึกตัวเยอะๆค่ะ ก็คือถ้าอยากมากเป็นความโลภนะใช่ความโลภแล้วมันอึดอัดมันบีบบังคับตัวเองอย่างว่าเราผ่อนคลายเออทําตามธรรมนี่แหละอยู่กับความไม่ทุกข์ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือเส้นทางสายกลางพออยากเนี่ยเป็นเกินไปถ้าไม่อยากเลยก็มันจะไม่มีความเพียรเอาพอดีก็คือเขาเรียกว่าฉันทะฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาถ้ามีความพอใจพึงพอใจกับการปฏิบัติธรรมนัม่นถือว่าใช้ได้ การแก้อารมณ์นี่วอนในตัวไหนยากที่สุดห้าตัวเดี่ยวหนูว่าครั้งที่สองมาคิดว่าความที่จริงความคิดก็ความง่วงอะค่ะอืมยากยากทาั้งทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าความคิดเนี่ยตอนนี้เริ่มคิดว่าความคิดที่เป็นถูกข์ออกง่ายกว่าความคิดที่เป็นสุขเพราะว่าความคิดที่เป็นสุขนี่มันจะไม่อยากออกค่ะมันจะคิดไปเรื่อย แต่ว่าถ้าสมมตความคิดที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันอยากจะออกไปจากตรงนี้มันจะมีสติมีสติมีส ต, สติแล้วมันก็จะหายไปเองอะคะ่ะความง่วงนี่ถ้าความง่วงนี่หนูแก้ได้โดยการวิ่งอะคะ่ะคือหนูวิ่งหนูก็หายง่วงแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่ยากเท่าไหร่พ่อแม่ไม่ห่วงเหรอ ท, ที่ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ห่วงกลัวเป็นบ้องเป็นบา้าเป็นอะไรไปเลยไม่ห่วงคะ่ะคือคุณแม่นี่ คุณแม่เขาเป็นคนปล่อยวางอยู่แล้วแต่ว่าเขาเขาไม่รู้ว่าปล่อยวางมจริงคืออะไรหนูก็ไปเทศนิดหน่อยอะ <c oughs> และ้คุณแม่ก็เลยส่งน้องมาเนี่ยค่ะมาอีกสองคน <c oughs> ตอนแรกคิดไม่คิดเลยว่าน้องจะมาแต่สุดท้ายก็ได้มา <c oughs> มันอยากมาเที่ยวมันนึกว่ามันจะสนุกมั้งฮะ <c oughs> อืคิดว่านักปฏิบัติทํารุ่นใหม่ๆแบบเราเนี่ยคิดว่า การบริหารการจัดการอะไรยังไงแต่เนี่ยมันมากเกินไปเนี้ยอันนี้มันอึดัดมันอะไรเนีไไน่ยต้องปรับอะไรมั้งต้องลดลงไม่ต้องให้มีนอนกลางวันไม่ต้องอะไรไม่อย่างไงปฏิบัติธรรมเลยไม่ค่ะเพราะว่าถ้าสูตรว่าไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้อ่ะค่ะของอนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจใครตั้งใจก็ทําได้ไม่ว่าจะเด็กน้องเกรซนี่คือเด็กมากแต่ว่าน้องเกรซก็ทําได้อ่ะค่ะเพราะเราก็โตกับน้องเกรซัซงเยอะทําไมจะทําไม่ได้ เราก็อยากให้เขามาอีกหลายๆลายครั้งนะคะหมายถึงว่าน้องหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายนะคะเพราะครั้งนี้ยังไม่เห็นครั้งหน้ามาต้องเห็ น, นะค่ะคือลองไปเรื่อยๆะค่ะพยายามไปเรื่อยๆอยังไงมันก็ต้องเจอะ ค, ะ <ใช S 1> ค่ะเพราะว่าหนูคิดตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะไม่ว่ามันจะช้าหรือเร็วแต่มันก็เดี๋ยวมันก็เห็นเหมือนกันนะคะอืเจนความเปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอย่างหนึ่งความกลัวสองความอยาความอะไรลดลงลดลง ความสัมบรวมความอะไรปฏิบัติทําไปแล้วไปอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเนี่เขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดเลยประหลาดค่ะเพื่อนหนูเป็นคนพอพอไปเที่ยวด้วยกันเนี้ยคหนูก็จะบเฉยเฉยไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเฉยเฉยเพื่อนหนูบอกแกเก็บกดอ่ะค่ะแล้วหนูก็เฉยเฉยบอกว่าเฉยเฉยมันก็บอกไม่มีจุดยืนในคนไม่มีจุดยืนแล้วมันก็ลุ่มด่านหนูกันใหญ่เลยแต่ก่อนีนพูดมากคุยมากก่อนพูดมากคุยมากค่ะ แล้วอะไรก็โวยวายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้พอไม่โวยวายมันบอกว่าแกเก็บกฎไม่มีจุดยืนแล้วก็เลยเครียดเราเลยมาปรึกษาหลวงตาหลวง้าเพื่อนมันไม่เห็นธรรมมันไม่มีธรรมมันไม่รู้หรอกแล้วหลวงตาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเอพระจะไม่คุยกับคนที่ไม่มีธรรมเกินหกคำหนูก็เลยคิดว่าถ้าถ้าชวนมาไม่ได้สอนไม่ได้หนูก็เลิกสนใจอย่าว่าอะไรก็ว่าหนูก็เฉยๆของหนวงไม่ได้ถูกก็แล้วกันค่ะ อาศัยแนวความคิดเนี่ยเข้าใจว่าเขาบอกนะอีกสามสี่วันเนี่ยเขาจะสอบไม่ได้อ่านหนังสือนังหาเลยว่าเอาน้องมาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมกั บ, บก น, น้องไม่กลัวสอบตกหรือคิดยังไงถึงปลงได้ทั้งไมถึงปล่อยมันตัดความคิดตัดอารมณ์ได้เนี่ยคิดยังไงถ้าเป็นปกติต้องอ่านหนังสืออยู่บ้านเด็กก็คิดว่าอืมความคิดแล้วก็คืออ่านมาก่อนหน้า น, นี้แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมในระดับหนึ่ง แล้วก็คิดว่ามามาปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน์กับชีวิตในระยะยาวมากกว่าค่ะโนเห็นเขามาเขาบอกโน้ตานุจะสอบนะอา้าวเธอจะไม่อ่านหนังสือแล้วโนูจะตั้งใจมากนะวันนี้โน้มาเต็มร้อเอร์ซ็นตะ์ะโน้จะตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาเต็มที่เลยนะอะไรประมาณเนี้ยโอ้ทําใหญ่ได้เนอกว่า ก, ก็คืออ่านหนังสือเดี๋ยวกลับไปมันก็ได้อ่านนะคะแต่ปฏิบัติธรรมเราจะมีโอกาสโอกาสสักกี่ครั้งที่จะได้มา ปฏิบัติทำแบบจริงจริงจังๆอย่างเงี้ยค่ะยิ่งบ้านหนูอยู่ไกลมันยิ่งมามาได้ยากและมีเรียนอะไรอย่างเงี้อีกก็เลยคิดว่าถ้ามาแล้วก็ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่อ่ะค่ะอ้อาโมจนาอันนี้เป็นต้องขอบคุณพ่อแม่เขานะเนี่ยพ่อแม่นอกจากตามใจมีอะไรก็ประคีรให้แล้วแต่จะเป็นจะไปเนี่ยในส่วนนึงก็คือ พ่อแม่เขาส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมได้ยินว่าจะปฏิบัติธรรมให้ไปคนเดียวไม่เอาส่งไปขึ้นเครื่องบ้าเลยอะไรประมาณนั้นคือพ่อแม่เขาเป็นคนเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งนะซึ่งแม่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมชอบเสริมสวยแม่เนี่ยแต่ก็พยายามให้ลูกมาให้ได้ปฏิบัติให้ศึกษาก็ช่วยอะไรเขาได้เยอะนะั่ม เดี๋ยวนี้เด็กต้นใหม่เขาสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าอมันต้องทวนกระแสน่ยต้องฝืนกระแสต้องสวนกระแสฝืนกระแสคือฝืนกระแสโลวกวัตถุนิยมไงฝืนตามใจฝืนเอาตามอย่างไหลตามเพื่อนไปเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะอย่างว่าน่ะจิตเนี่ยมันไหลสู่ที่ต่ำเหมือนน้ําไหลจากที่สูงลงที่ต่ําจิตก็เหมือนกันไหลไปสู่อารมณ์ต่ตําๆถ้าเราไม่รู้จักฝืนจะฝืนเราจะจม เสียคนไปก็เยอะแยะในะชีวิตปัจจนะุบันแล้วเพราะปัญหาพวกนี้แหละทันถ้าเราฝึกเราฝืนเนี่ยเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ในในสังคมแห่งความวุ่นวายสับสนทากลางวัตถุนิยมทางกลางอารมณ์ทางกลางกลางความไม่เข้าใจทำไมต้องชีวิตทำไมต้องอย่างนี้ต้องอย่างงั้นไอ้ไว้เนี่ยเห็นไหมหลายหลายคนที่คนมีฐานะดีดีเนี่ยส่วนมากก็คือมีปัญหาชีวิตนะนะดาราคนไหที่ไม่มีข่าวไม่มีปัญหานะ มีหมดเพราะอะไรเพราะว่าเขาตั้งรับไม่เป็นสติเขาน้อยเขาอยู่ท่ามกลางความดีใจความเสียใจท่ามกลางเปลือกชีวิตถูกหลอกนะถูกหลอกถูกว่าได้ถูกหลอกว่าเสียแล้วเขาเข้าไปในอารมณ์แบบนี้ในที่สุดเขาก็เจ็บปวดความทุกข์ก็เกิดขึ้นนั้นถ้าฝึกเยอะๆบ่อยๆเนี่ยสังเกตว่าพ่อแม่เราลูกหลานใครก็ทำเรื่องเรื่องปล่อยวางปล่อยวางมากขึ้นคาว่าปล่อยวางคือปล่อยวางเปลือกปล่อยวางสมมติแล้วอยู่กับความจริงของชีวิต แต่มันต้องมีพิธีการก็คืออย่างปฏิบัติธรรมนี่แหละในการสลัดปล่อยวางอา้านวะเวลาต่อไปนี้พนะระสงฆ์จะได้ปินทบาทแล้วนบะินทบาทใครจะใส่บาตรก็ใส่บาตรนะนะแล้วก็ารับศีลใส่บาตรแล้วก็รับอาหารนะเอาอันหะน้ามาตรานี้ วันนี้ที่นี่วันพระนี่เขาจะใส่บาตรทำบุญตักบาตรญาโยมเขาเขามาไม่ว่าจะปฏิบัติทำหรือไม่ปฏิบัติทำก็ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ทำบุญที่แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมบางคนก็ทำบุญแล้วก็กลับไม่ฟังก็เอาเท่าที่ทำได้เอาพวกเขาขึ้นเตรียมตัว